แบบนี้คงเกิดขึ้นกับเราบ่อยนะลืมแบนตาลืมโทรศัพท์มือถือลืมกระเป๋าเงินหรือว่าลืมกุญแจรถลืมในที่นี้หมายถึงว่าหาไม่เจอไม่รู้วางไว้ไหนหรือว่าลืมหยิบติดตัวไปบางครั้งก็ลืมของที่มีค่าวางเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าวางไว้ที่ไหนจนสูญหายเพราะมีคนหยิบไปก็มี แต่ลืมทั้งหมดที่ว่ามานี่มันก็ไม่ยยกเท่ากับลืมตัวนะลืมตัวนี่บางครั้งนี่มันก่อความเสียหายมากมายแล้จะว่าไปแล้วเนี่ยที่เราลืมโน่นลืมนี่นึกไม่ออกว่าวางไว้ไหนเนี่ยมันก็เกิดความลืมตัวนั่นแหละคือว่าตอนนั่าใจจะลอยใจลอยคิดโน่นคิดนี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่ใจลอยแล้วก็วางของเอาไว้พอนึกจะใช้ของนั้นขึ้นมามันนึกไม่ออกว่าวางไว้ที่ไหนพอตอนที่วางเนี่ยมันไม่ได้ทำด้วยความรู้น ร, ร, รู้ตัวแล้วพอใจลอยาตรงหน้าแล้วเรียกว่าลืมตัวแต่ก็อย่างที่บอกนะ พอเราลืมตัวแล้วเนี่ยเราก็จะทำอะไรหลายอย่างซึ่งมันเกิดทั่วกับตัวเองอาจจะเผลอดา่านะคนใกล้ตัวให้เป็นพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือว่าคนรักบางทีก็เผลอตวาดใส่ลูกแล้วก็มาเสียใจบว้ครั้งเนี่ยเราก็ ทำความทุกขให้กับตัวเองนะเพราะความลืมตัวเราก็เลยทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวมีคนธารลามานี่มีคนขับรถคนหนึ่งนะสมัยที่ท่านอยู่ที่ทีเบรเนี่ยหรือว่าอยู่ที่อินเดียนี่ยแหละวันหนึ่งท่านก็เดินไปหาคนขับรถซึ่งกำลังซ่อมอะไรซ่อมรถอยู่นะ ซ่อมช่วงล่างของรถปกติทนรยละมา ก, ก็ไม่ค่อยเดินไปที่ลงรถนะแต่พอคนขับรถเนี่ยรู้ว่าท่านเสด็จมาเนี่ยก็ตกใจนะก็รีบลุกขึ้นมาเลยนะแต่ว่าด้วยอารามรีบเนี่ยรากว่าหัวนี่ก็ไปกระแทกกับกันชน เพราะว่าไม่ดูให้รอบคอบเพราะว่ากระแทกการชนเนี่ยก็ปวดนะเสร็จแล้วทําังไงนะแล้วก็เอาหัวกระแทกกันชนอีกกระแทกกี่กระแทกกีกกก่ถามว่าทําไมถึงทาอย่างนั้นนะนั่นตอบซ้ำๆคือลืมตัวนะเพราะว่าพอตอนที่หัวกระแทกกันชนครั้งแรกเนี่ยคงก็เจ็บนะแล้เจ็บแล้วกโกรธด้วย แลโกรธนี่ก็อาจจะโกรธตัวเองด้วยนะว่าทำไมไม่รอบคอบทำไมพลมีแผลมเพราะกรดตัวเองเข้าเนี่ยมันก็ลืมตัวเพราะความกกรวความลืมตัวนี่มันมาคู่กันก็เลยเอาหัวกระแทกกันชนอีกหลายครั้งเลยทีเดียวอันนี้มันเป็นธรรมชาตินะของคนที่ลืมตัวเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อ ถูกความโกรธเนี่ยนะครอบงำเด็กบงคนเนี่ยพอโกรธมากๆเนี่ยไม่รู้ทำยังไงนะเอาหัวโคกพื้นซึ่งก็ไม่ต่างจากผู้ใหญ่นะที่เวลาโกรธมากๆเนี่ยทีก็เอามือต่อยกำแพงหรือว่าเอาเท้านะถีบเข้าของกระจุยกระจายถ้าว่าคนเราเนี่ยทักตัวเองเนี่ยเราจะทำร้ายตัวเองไหมนะเราก็ไม่ทำอยู่แล้วล่ะ แล้วอเราถ้ามีสติมีความสึกตัวแล้วก็ไม่ทําอย่างนั้นแล้วแต่เพราะความลืมตัวเนี่ยเพราใจเนี่ยมันถูกอารมณ์โกรธครอบงําพอลืมตัวแล้วมันก็เลยลงมันลงที่ตัวเองก็คือทํำลายตัวเองแต่ว่าบ่อยครั้งมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะมันไม่ใช่แค่ทํำลายตัวเองหรือว่าหาทุกข์มาใส่ตัว แต่ว่ายังทาร้ายคนอื่นอาจจะไม่ใช่ด้วยคำพูดอย่างเดียวนะแต่ว่าทําร้ายโดยการกระทำบางทีอาจถึงกับลงไม้ลงมือหรือว่าทําร้ายโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามันก็ทําไปแล้วอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะคนรักที่ทําร้ายกันจนตายด้วยความโกรธ ล้าก็มาเสียใจแต่ว่ายังมันยังมีการทำร้ายแบบอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งเนี่ยแกก็ขับรถนะเนื่องจากที่บ้านไม่มีใครเลยนะก็ต้องเอาลูกมาด้วยให้ลูกเนี่ยวางนั่งอยู่ที่เบาะหลัง ลูกก็แค่สองสาขวบตัวเองก็ขับรถไปที่ห้างสรสินค้าที่รั้วมันเป็นมอลมากกว่านะจะไปซื้อของเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะมีงานเลี้ยงมีปาร์ตี้ในใจนี่แกก็นึกนะว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างพอรถถึง ห้าสรรสินค้าหรือมอลลเนี่ยนะแกก็จอดตรงลานจอดรถซึ่งมันเป็นลานกว้างคล้ายๆแบบบิ๊กซีหรือว่ า, าโรลทัสน่นะลานกว้างแล้วก็รีบลงจากรถไปเลยไปเข้าไปในห้างนี่ก็ซื้อโน่นซื้อนี่ลืไมไปเลยนะว่าทิ้งลูกไว้บนรถนะแล้วรถนี่ก็ตากแดดด้วย ก็ไปซื้อของเป็นชั่วโมงนะพอซื้อเสร็จกลับมาที่รถตกใจนะเห็นลูกนี่ถูกแดดเผาในรถนะยังดีนะที่เด็กเนี่ยไม่ถึงกับเสียชีวิตนะแต่ก็เรียกว่าอาการหนักทีเดียวนะเพราะว่าสูญเสียน้ำมาก ด้วยความร้อนที่อบอยู่ในในตัวรถเนี่ยซึ่งก็ยังโชคดีกว่าเด็กหลายคนนะที่ตายเพราะถูกทิ้งเอาไว้แด้ถูกทิ้งเนี่ยโดยพ่อแม่ซึ่งไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ว่าลืมตัวไงตอนนั้นเนี่ยใจลอยคิดถึงว่าจะซื้ออะไรพอใจลอยเนี่ยมันก็อันนี้เราก็เรียกว่าลืมตัว ลืมตัวแล้วก็เลยลืมลูกเขานะทิ้งไว้ในรถบราะอยูบอกว่าเนี่ยลืมตัวเนี่ยมันมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถจะลืมอะไรต่อหลายๆอย่างแล้วก็นำไปสู่การทำร้ายตัวเองหรือว่าสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นซึ่งก็เป็นคนที่เรารัก บางทีการทําร้ายตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําร้ายทางกายนะอย่างคนขับรถของเทลรามากที่เอาหัวโคกกันชนหรือเด็กที่เอาหัวโคกพื้นแล้วมันเป็นการสร้างทุย่ยให้แก่จิตใจสร้างทุย่ยให้แก่จิตใจทํำยังไงก็คือนึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวด ร, วดรุนแรงในอดีตนึกถึงการกระทําคําพูดของใครบางคนที่สร้างความเจ็บปวด ้กเราก็อาจจะคดโกงก็ จ, จะต่อว่าด่าทออาจจะทอรยตหักหลังหรืออาจจะนึกถึงความผิดพลาดในอดีที่เคยทำไว้บางคนเนี่ยทั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต้อง30ปีแล้วนะแต่ว่าก็ยังทุกอยู่กับเหตุการณ์นั้น นึกถึงที่รายก็เจ็บปวดแล้วพอนึกครั้งหนึ่งเนี่ยก็นึกครั้งที่สองครั้งที่สามจะกลายเป็นการนึกวนนึกซ้ำซากผลก็คือนอนไม่หลับแล้วก็กลายเป็นซึมเศร้าไปมีค น, นึก็มาปรึกษาเนี่ยกับุการณ์ความผิดพลาดในเด็กเมื่อสาสิปีที่แล้วรู้สึกแย่มากจนบางทีทนไม่ไหวนะนึกถึงการทําร้ายตัวเอง อันนี้เรียกว่าอะไรนนเรียกว่าเป็นเพราะปล่อยใจให้จมอยู่กับเรื่องราวในอดีตแล้วก็ไม่ปล่อยไม่วางแต่ยึดมั่นถือมั่นพอถลำจมไปแล้วนี่มันก็มันไม่ใช่ถลำเข้าไปในความคิดหรือความทรงจําในอดีตอย่างเดียวมันเกิดอารมณ์ตามมาความเศร้าความโศก ค, ความโกรธความแค้นความรู้สึกผิดแล้วก็จมไปในอารมณ์บางคนเราลืมตัวเนี่ยเพราะว่ามัน ถลเม้าไปในความคิดหรยอเราเรียกว่าหลงหลงคิดแล้วก็ตามมาด้วยหลงอารมณ์หรือหลงเข้าไปในอารมณ์เพราะความคิดกับอารมณ์ี่มันมาด้วยกันคิดเรื่องดีๆเราก็มีความสุขแต่พอคิดเรื่องไม่ดีเราก็พอมีความทุกข์มีความโกรธอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเอง แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าว่าเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่มันมันก็จะหลุดจากความคิดและอารมณ์นี้ได้นะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะที่คนมักจะมองข้ามคนเราถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็ยากนะที่จะถลําเข้าไปในความคิดอกุศลหรืออารมณ์นะที่ เป็นโทษเป็นภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือว่าภาพปุงแต่งในอนาคตางนี้คนก็เครียดมากนะเพราะว่านึกจินตนาการถึงเหตุการณ์ในวันข้างหน้าไม่ว่าเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองเกี่ยวกับครอบครัวคนรักลูกพ่อแม่หรือเกี่ยวกับการงานนึกถึงเศรษฐกิจนึกเหตุการณ์บ้านเมือง เดยพอช่วงนี้มันก็มีข่าวที่ไม่ดีเยอะแยะทั้งในทางเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันก็ง่ายที่คนเราจะคิดปรุงแต่งวาดภาพแล้วก็พอปล่อยใจลอยก็จมเข้าไปในความเครียดความวิตกกังวลแต่ถ้าเราสื้อสึกตัวเมื่อไหร่นะมันหลุดนะมันหลุดจากความคิดหลุดจากอารมณ์มันทําให้ใจที่ไหลแปรดีิลอยไปนาคตนเนี่ยมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนกับตัว ใจเราถ้าอยู่กันเนื้อกับตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันมันปลอดโปรงนะคนโบราณเนี่ยเวลาเขาอวยพรลูกหลานเนี่ยเาจะอวยพรว่าเนี่ยขอให้รู้เนื้อรู้ตัวนะนะคอยมีรู้เนือรู้ตัวเขาไม่ได้ขอให้ร่ารวยขอให้มั่งมีเสียสุขนะขอให้รู้เนอรู้ตัวขอให้ใจอยู่กันเนื้อกับตัวนะก็คือมีวมสุกตัว น, นั่นเอง แล้วคนเราจะมีความรู้สึกตัวได้เนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งหนึ่งนั่คือสติความรู้สึกตัวเนี่ยทางธรรมเราเรียกว่าสัมปชัญญะนะแต่การที่คนเราจะมีใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้มันต้องมีสติในยามที่ใจมันหลุดเข้าไปในความคิดเนี่ยสติมันทําให้เห็นความคิดนะมันทําให้หลุดออกมาจากความคิดหรือผู้อย่างก็คือมันพาใจเนี่ยกลับมาอยู่กับ เนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันสติจึงเป็นเครื่องรักษาจิตนะบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับทหารยามหรือทวารบาลเฝ้าประตูเมืองประตูเมืองที่นี่ก็คือจิต น, นครเป็นตัวคอยกันไม่ให้ศัตรูเข้าไปก่อปัญหาสร้างความปั่นป่วนในเมืองหรือก่อวินาสกรรม เรียกว่าสติจะเป็นเครื่องรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้จมอยู่ในความเศร้าไม่ให้โกรธแค้นหรือว่าหดหู่เศร้าหมองแต่ที่จริงเนี่ยมันก็ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นตาหน่อนะที่ไม่ให้อารมณ์ใดเข้า ม, มาครอบงําจิตอ ย, อย่าพูดยากก็คือว่าทําให้จิตเนี่ยหลุจักความคิดและอารมณ์นะที่มันเกิดขึ้นได้ เพราะนั้นการเจริญสติการทำความสึกตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญมากงนาะที่เราไม่ควรจะมองข้ามหลายคนเวลานึกถึงการภาวนาเนี่ยก็นึกแต่ถึงแต่จากความสงบอยาให้จิตสงบนะแต่ว่าสงบที่ควรส่วนใหญ่คิดเนี่ยคือการที่มันไม่มีความคิดเกิดขึ้นแต่เราห้ามไม่ได้นะเราจะห้ามจิตไม่ให้คิดไม่ได้แตส่สิ่งที่เราทำได้คือรู้ทันความคิด และอะไรที่ทำให้รู้ทันความคิดก็คือสตินั่นแหละที่เราที่เรามาเจริญส ต, ติกันนี้ก็เพื่อฝึกให้รู้ทันความคิดและนำไปสู่ความรู้สึกตัวแต่การที่เราจะรู้ทันความคิดได้เนี่ยมันก็ต้องอรู้สิ่งที่มันง่ายกว่านี้ก่อน ก็คือรู้กายนะรู้ความคิดนี่ค้อเรารู้ใจนะรู้ใจซึ่งรวมไปถึงการรู้อารมณ์ด้วยเราต้องรู้กายก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเจริญสติที่นี่เนี่ยเราก็ฝึกให้ใหม่ใหม่ก็มามารู้กายคือมารู้สึกนะเวลากายมันเคลื่อนไหวก็ให้รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยจึงเป็นลักษณะเด่นของการปฏิบัติที่นี่ เวลานั่งก็ไม่ใช่ให้นั่งนิ่งๆแต่ว่าให้มีการเคลื่อนไหวแล้วก็รวมถึงการเดินด้วยนะเวลาเดินก็มันก็มีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วแล้วถ้าเรารู้กายเมื่อเคลื่อนไหวนะต่อไปมันก็จะเห็นใจเมื่อคิดนึกให้การ รู้กายเคลื่อนไหวหรือวรู้สึกว่ากายมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะมันดีกว่านั่งนิ่งน่งมันมีประโยชน์ยังไงนะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องบ่งชี้นะว่าตอนไันตอนเนี้ยใจอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่าเพราะถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยกายเคลื่อนไหวมันก็จะรู้รู้ การเคลื่อนไหวหยาบๆก่อนนะก็คือยกมือต่อไปเนี่ยมันจะรู้การเคลื่อนไหวของกายที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเช่นลมหายใจและต่อไปเนี่ยแม้กระทั่งกระพริบตาหรือน้ำลายก็รู้แต่ว่าใหม่ๆเนี่ยมันก็รู้การเคลื่อนไหวที่หยาบก่อนเมื่อแล้วก็ตามที่เราปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการยกมือสร้างจังหวะหรือดันจงกรมเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยอันนี้มันตัวบ่งชี้ว่าตอนเนี่ย ใจอยู่กันเนื้อกับตัวหรือผู้ง่าหคือตอนเนี้ยมีความรู้สึกตัวมันเป็นตัวบ่งชี้อันหนึ่งนะแม่นคนบางคนถามว่านี่จะรู้ได้ไงว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นยังไงตัวชี้วัดอันนึงคือว่ารู้กายเคลื่อนไหวทีแรกก็ยกมือเคลื่อนไหวตอนหลังเนี่ยแม่กระดิกนิ้วคลึงนิ้วก็รู้ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่ามีการเคลื่อนไหวของกายเนี่ย อันนี้แสดงว่าเรามีความรู้เนื้อรู้ตัวหรือมีความรู้สึกตัวนะมันเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งนะที่เอามาใช้พิจารณาได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกตัวหรือเปล่าเนี่ยก็ถามตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยมันรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายไหมไม่ว่าจะยกมือไม่ว่าจะเดินก้าวก้าวเดินหรือไม่ว่าจะครึงนิ้วพูดง่ายคือว่าถ้าเรา รู้สึกตัวเนี่ยหรือรู้้รู้ตัวเนี่ยมันก็จะรู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวของกายแต่ต่อไปนะเวลาเราใจลอยเนี่ยนะใจลอยขณะที่กำลังเดินจงกรมขณะที่กำลังสร้างจังหวะเนี่ยจู่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวรู้สึกถึงการขยับของมือรู้สึกถึงการขยับของตัวขณะก้าวเดินในความรู้สึก ข, ของกายเนี่ยมันจะเป็นตัว สกิดใจที่ลอยฟุ้งเนี่ยให้กลับมาจากเดิมที่ไหลไปอดีตลอยไปนาค่อยๆกลับมาอยู่กับปัจจุบันจากเดิมที่มันส่งออกนอกก็กลับมาอยู่กันเนกับตัวประโยชน์ของมันตรงเนี้ยมีประโยชน์นะมีอันนั้เป็นคนสิ่งที่นักปฏิบัติเนี่ยจะจะรู้ได้สิ่งที่ช่วยให้เรารู้สึกตัวได้ได้เร็วขึ้นเนี่ยก็คือความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหว คืแรกเนี่ยความรู้ตัวเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวแต่ต่อไปเนี่ยความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกตัวได้เร็วขึ้นนี่คือเหตุผลนะว่าทำไมเนี่ยการปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนท่านถึงให้มีความเคลื่อนไหวนะทีแรกก็ยกมือสร้างจังหวะแต่ตอนหลังเนี่ยก็คลึงนิ้วกระดิกนิ้วนะก็พอเวลานั่ง นั่งฟังคำบรรยายหรือว่านั่ง อ, อยู่บนรถแทนที่จะปล่อยใจลอยไปนอกตัวก็กลับมารู้สึกตัวเพราะว่ามันมีความรู้สึกของกายเนี่ยคอยคอยเรียกคอยสะกิดใจเนี่ยให้กลับมามันคล้ายคล้ายกับเวลาเราใจลอยนะกำลังนึกถึงงานการก็ดีนึกถึงการไปวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศก็ดีนะใจลอย หรือกำลังนึกถึงปัญหาในครอบครัวอยู่จู่ๆเนี่ยมีคนมาสกิดหลังหรือมาแตะมือมาแตะบาเราทันทีที่เรารู้สึกว่ามีการแตะที่ไหล่ที่มือที่ตัวเนี่ยเราจะรู้สึกตัวเลยเพราะการแตะเนี่ยหรือความรู้สึกทางกายเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นสิ่งสะกิดให้ใจที่มันฟุ้งลอยเนี่ยให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน ฉันนั้นกับชั้นนั้นเนี่ยนะไอความรู้สึกทางกายเนี่ยที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันก็สามารถจะทำหน้าที่นี้ได้คือมาสกิดใจที่ฟุ้งลอยหลงให้กลับมาอยู่กับเนกับตัวเราไม่ต้องร้อย ใ, ใครมาสกิดหลังเราในขณะที่เราใจลอยไม่ต้องร้อย ใ, ใครมาแตะบ่าเราขณะที่เราใจลอยเพื่อที่เราจะรู้สึกตัวแต่เราสายความรู้สึกของกายของเรานี่แหละนะเป็นตัว เป็นตัวเรียบเป็นตัวช่วยมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทําอยู่แล้วมันคล้ายๆกับเวลาเราเดินจงกรมเมื่อเช้าเนี่ยเดินรอบสะเนี่ยแล้วบางคนเนี่ยคดิใจลอยเนี่ยแต่พอได้ยินเสียงระฆังเนี่ยใจที่มันลอยเนี่ยมันมันกลับมาเลยนะมันลอยไปที่บ้านมันลอยไปที่ทํางานลอยไปที่กรุงเทพมันกลับมาเลยกลับมาตรงจุดที่ยืนอยู่กลับมาอยู่กับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้ เพราะอะไรนะเพราะมีเสียงะระฆังเนี่ยช่วยเตือนแต่เราไม่ต้องรอเสียงะระฆังนะเราอาศัยความรู้สึกทางกายนี่แหละเป็นตัวเรียกตัวสะกิดใจที่ฟุ้งหลงให้กลับมาและตรงนี้มันจะทำให้สติเราโตไวขึ้นไวขึ้นเพราะว่าตอนที่มันรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยความคิดที่มันลอยเนี่ย กำลังแล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะดุดมันจะสะดุดเสร็จตรงนี้แหละนะที่สติมันจะได้โอกาสเข้ามาทำงานแล้วก็เรียกพาจิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะนั้ น, นวิธีเนี่ยมันช่วยทำให้สติของเราเนี่ยทำงานได้ไวขึ้นไวขึ้นแล้วพอเราสติพอสติของเราไวนะมันก็ทำให้เรา รู้กายได้ดีขึ้ น, นเรื่อยๆต่อเนื่องและพอพอรู้กายได้ดีเนี่ยต่อไปมันจะรู้ใจเวลาคิดนึกอะไรเนี่ยมันก็จะรู้ได้ไวแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจนะว่าเราจะรู้ทันความคิดหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปสนใจเพราะถ้าไปสนใจเนี่ยเราจะอดไม่ได้ที่จะไปดักจ้องความคิดพอเราไปดักจ้องความคิดเราก็หลงก็ไปในความคิดเลย เพราะความคิดนี่มันมีแรงดึงดูดหรือมีอุบายที่จะดูดใจของเราเนี่ยให้หลงเข้าไปนะจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้จากเรื่องนี้ไปเรื่องนั้นสิบเรื่องกว่าจะมารู้ตัวว่าถูกความคิดมันหลอกอันนี้ความคิดแบบนี้เราเรียกว่าลักคิดนะหลวงพ่อคำคำเขียนเรียกว่าลักคิดมันลักพาจิตของเราเนี่ยไปเลยนะเพราะว่าจิตของเราสเตียงอ่อน แต่พอสติของเราเนี่ยนะไวขึ้นไวขึ้นนะมันจะมีกำลังแล้วมันก็จะรู้ทันไม่ปล่อยให้ความคิดมันหลอกลวงหรือลักพาจิตของเราไปมันจะกลับมาอยู่กันเน้อกับตัวได้ไวขึ้นเพราะนะั้นใหม่ๆเนีย่ยอย่าเพิ่งไปสนใจนะว่าเราจะรู้ทันความคิดหรือเปล่าเนี่ยก็ขอให้เพียงแต่ว่าแต่ขครที่ทําอยู่เนี่ยมันรู้สึกรู้สึกที่กายไหมแต่ว่าก็อย่าไปถึงกับไปเพ่งนะ ไปเพ่งไปเพ่งที่เท้าไปเพ่งที่มืออันนั้นก็ไม่ใช่มันไม่เป็นธรรมชาติมันจะไม่ใช่รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะเป็นความรู้สึกเฉพาะจุดแล้วคนเรานี่นะใช่ว่าการรูก้กายจะเป็นเรื่องง่ายนะการรูก้กายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะมีแม่คนหนึ่งนะเป็นแม่ลูกอ่อนลูกอายุ ป, ประมาณสัก ปีหนึงได้นะหนักก็ประมาณสักสองสกิโลปกติแกก็เลี้ยงลูกด้วยการให้ลูกเนี่ยนั่งอยู่ตรงรถนะรถ ล, ลากนะรถที่มันช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเดินได้แต่วันนึงเนี่ยนะแกก็เลี้ยงลูกขณะที่ดูโทรศัพท์มือถือไปด้วยมือขวาดูโทรศัพท์มือถือส่วนขาขวานี่ก็ขยับ ขึ้นขยับเข้าขยับออกนะขยับอะไรขยับไอ้รถรถเนี่ยรถที่ให้ให้ลูกเนี่ยนั่งดูเพลินๆสักพักมองมาที่รถลูกหายไปไหนหาลูกไม่เจอตกใจลูกหายไปไหนเมื่อกี้ยงนั่งอยู่เลยเดี๋ยว ก, ก็เดินนะตามหาลูกเนี่ยทั่วห้องเลยหาลูกไม่เจอสักพักก็สังเกตว่าไอ้มือ ข้างซ้ายเนี่ยมันหนักๆเพราะว่าอุ้มลูกเอาไว้ด้วยมือข้างซ้ายนะอุ้มลูกเนี่ยต้อไม่ลวกอุ้มลูกนะเรื่ว่าลูกหายแล้วลูกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเบานะเป็นกิโลนะแลดีนะที่ขณะที่ตามหาลูกเนี่ยทั่วห้องเนี่ยไม่ปล่อยมือนะถ้าปล่อยมือนี่ลูกตกลงมาโอ้โหก็กระแทกพื้นลูกอาจจะบาดเจ็บนี่ขนาดอุ้มลูกในวยมือซ้ายเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าแอะไรเาใจลอยอแค่รู้กายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าง่ายนะถ้าคนเราเนี่ยหลงเข้าไปในความคิดหรือเข้าไปจมอยู่กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยแม้ความรู้สึกทางกายเล็กๆน้อยๆเช่นกับพิบตาคลื่นน้ำลายเนี่ยมันก็รู้นะและถ้ารู้แบบนี้เนี่ยนะ ให้การที่จะรู้ความคิดที่มันละเอียดรู้ทันรู้อารมณ์มันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็ไม่ไปหลงคิดไม่ไปหลงอยู่ในอารมณ์เพราะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยจับหลักการปฏิบัติให้ได้นะแล้วก็เริ่มต้นจากการมารู้กายก่อนนะส่วนความคิดเนี่ยส่วนรู้ใจ เ, เอาไว้ทีหลังนะเอาค่ะี่ผู้ถานี้นะเากลับครับ